การสแสวงหาสามอย่างเหล่านี้คือกาเมศนาการสแสวงหากรรมพระเวสนาการสแสวงหาภพคือความมีความเป็นพรหมจริเยสนาการสแสวงหาพรหมจันทร์ย่อความที่สามดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุสามอย่างเหล่านี้คือมังสะจักสุตาเนื้อทิพจักสุ ตาทิพ ป, ปัญญาจักสุตาปัญญาย่อความที่สี่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิสระนิยตธาต์หมายถึงธาตุคือความแล่นออกหรือความพ้นไปนิสระนิยตธาต์สมประการคือเนฆัมมะการออกจากกามเป็นความพ้นไปแห่งกามทั้งหลายอรุ ป, ปะ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 คือความเกิดขึ้นแห่งตันหาเพราะเหตุแห่งจีวรหรือผ้านุ่งหม่มบินทบาทคืออาหารเสนาสนะคือที่อยู่อาศัยภาะวาาะภาวะความมีความเป็นและความไม่มีไม่เป็นย่อความที่หดูก่อนภิกษุทั้งหลายโลกอันตถาคตรัสรู้แล้วตถาคต